ก็เป็นบ่ายของวันแรก วันที่19มกราคม2561คอสพื้นฐานสวนธรรมศรีปฐุมทีนี้เวลานั่งรอก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจความสงบในใจก็เกิดขึ้นเราก็เริ่มเห็นละ การทำเหตุก็ส่งเป็นผลความสงบที่พูดถึงไม่ว่าจะคิดอะไรใจก็ยังสงบไม่คิดอะไรใจก็สงบแล้วเดี๋ยวพอเขาไม่คิดอะไรไปเองแล้วก็ก็เข้าใจไปเองไม่ต้องไปว่าอะไรดีอะไรไม่ดี อันนี้ดีปีติเป็นอย่างนี้นะเราเกิดปีติอะไรนี่อันนั้นไปก่อตัวตนขึ้นมาอีกปฏิบัติไปก็วนวนกลับคือไปไม่พ้นขว้างไปก็ไปไม่พ้นฉะนั้นการมาฝึกความเคยคุ้นคือกลับมาอยู่ความเคยคุ้นเคยชินไอ้เคยชินชนี่มันชอบความรู้สึกไปทางลบๆหน่อย ให้เาเกิดความคุ้นชินคุ้นชินกับความสงบเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าผมจะฝึกเด็กไปโอลิมปิกว่ายน้ำผมให้เล่นน้ำเราก็มาฝึกความคุ้นชินไปเรื่อยๆนั่งลืมตาอยู่กับลมหายใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุ้นชินอะไรนั่งเผลอเมือ่อคิดลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกใจกังวลใจเอ อ, อยัอยงไงก็อยู่ในนี้อยู่ในใจของเราเนี่ย ทุกใจกังวลใจเบื่อเบื่อเบื่อมาจากไหนรูไหมมานั่งอย่างนี้เบื่อจะตายไม่เห็นมีอะไรทาแล้วต้องทำยังไงสมมติถ้าปล่อยให้ทาต้องทำยังไงถึงจะไม่เบื่อคว้าโทรศัพท์มือถือคว้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดนั่งวันนี้ทั้งประเทศทั้งโลกก็ทำกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว แล้วทำไมถึงไม่เบื่อก็เบื่อเหมือนกันแต่พอเบื่ออันนี้ก็เปลี่ยนก็ไปอีกเรื่องเปลี่ยนก็ไปอีกแอปหนึ่งดูข่าวฟังเพลงอ่านที่เขาเมา์กันหรือว่าที่เขาดราม่า ก, กันที่เขาว่ากันด่ากันคือกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นให้ทําอะไรไปเรื่อยๆนี่คือภาพถ้าพวกเรามองตามความจริงทีนี้พอหยุด ฟังวางนั่งอยู่กับลมอยู่กับการฟังอยู่เฉยๆเบื่อเพราะมันชินกับการถูกกระตุน้นเมื่อมันชินกับการถูกกระตุน้นพอมันติ้งขึ้นมาก็ใจก็ติ้งตามไปเลยถ้าบอกว่าข้างนอกเคลื่อนไหวใจสงบอย่างนี้สงบไหมไม่ติง้งนนี้ก็ติ้งด้วยเลย อยากดูอยากอ่านอยากเข้าไปร่วมวงสนทนาปับ๊บทีนี้เคลื่อนไหวแล้วโอ้บีบคั้นโกดชอบส่งรูปภาพของกินมาโอ้น่กินชิบหายที่ไหนเนี่ยกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะอยากอยากยากทีนี้เรามีความเคยคุ้นกับกระตากระทบรูปปับ๊บส่ง้าไปสู่ใจที่อยากตากระทบรูปใจที่อยากตากระทบรูปใจที่อยาก มันจะสงบเป็นไหมล่ะทีเนี้ไม่เป็นเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่มันถูกสอนให้เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอมาอยู่เฉยๆเนี่ยหลับเพราะพอหนึ่งไม่เหงาก็หลับนี่คือสิ่งที่มันไม่คุ้นเลยที่พวกเราไม่คุ้นเลยพวกเราไม่คุ้นเลยให้มันนั่งเฉยๆเนี่ยทีนี้พอเราไปไหนเราถึงต้องหากิจกรรมทาเลย ไปเที่ยวทะเลก็ต้องไปหากิจกรรมทําไปน้ำตกทะเลภูเขาก็ต้องหากิจกรรมทําไม่งั้นมันเบื่อพออยู่บ้านคนเดียวคนอื่นไปหมดก็เบื่อในทางกลับกันผู้ที่ฝึกมาเนว่าฝึกมาพอได้อยู่บ้านคนเดียวก็โอ้สุดยอด อ, อะไรมันจะสบายขนาดนี้นะเนี่ยมันจะกลับข้างกันความรู้สึกมันจะกลับข้างกันกับโลก แล้วเราก็ลองดูถ้าเราเบื่อเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไปฝึกมันไว้อย่างนี้ทีนี้พอหยุดปับ๊บมันเอาเลยทําไงอะ่ะก็กลับมาคุ้นก่อนอยู่กับลมหายใจก่อนค่อยๆฝึกพื้นฐานก่อนถ้ามันปล่อยเฉยๆนะเดี๋ยวมันหลงไปคิดละเดี๋ยวมันล่ลนลองลอยละแท น, นหาที่ยังเกาะก่อนอยู่กับลมไว้หัวใจยอยู่กับลมก็ไม่ไหวมันเบื่อ ก, ก, ก็นั่นไง ผมถึงบอกทุกคนไม่ว่าจะชี้ที่ไปบวชหรือใครเนี่ยนะอยู่ให้เลยเบื่ออยู่ให้เลยเบื่อมันเบื่อแน่ไม่ต้องกลัวมันเหมือนคนติดบุหรี่ก็แล้วกั น, กนถ้าเอาเข้าไปเลิกบุหรีนะ่เนี่ยเขาจะทุกข์กับการเคยสูบบุหรีแ่แน่ๆเขาจะต้องทุกข์บีบคั้นกับการที่อยากจะกลับไปสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นมันเหลือทางเดียวคือ อดทนอดทนคือมือมันจะสั่นปากมันจะซีดมันจะออยมีทางเดียวคืออยากกลับไปอีกอดทนจนกระทั่งมันถอนการลงแดงนั้นได้จะมีเพื่อนให้กาลังใจด้วยแล้วก็จนมันเลยจุดนั้นไปเพราะคนเลิกบุหรี่ได้เป็นอิสระจากบุหรี่มันถึงจะพบความสุขอีกชั้นหนึ่ง มันจะพบความสุขที่แท้จริงคือไม่ใช่ความสุขจากการได้สูบบุหรี่หรือได้เสพของที่เคยคุ้นแต่มันจะเป็นความสุขที่ได้พบกับความเป็นอิสระความสุขที่แท้จริงคือความสุขจากการเป็นอิสระจากความเป็นทาตมาทั้งชีวิตในทุกๆอย่างเราอยู่ด้วยความเป็นทาตเราไม่เคยอยู่ด้วยความเป็นอิสระก่อนผมจะเข้าไปบวชเมื่อปี2549ผมมีความรู้สึก ารารวะาเป็นอิสระเราอยากกินอะไรเราได้กินเราอยากไปไหนเราได้ไปเราอยากทำอะไรเราได้ทำพอผมไปบวชเป็นพระเมื่อปีสีเก้าอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินมาแล้วแต่เขาจะใส่บาตรอยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปไม่มีรถไม่มีอะไรแล้ว แล้วแต่เขาจะนิมนต์ไปไหนอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำทำอะไรก็มีกิจของสงฆ์ก็มีอยู่เท่านั้นแรกๆก็รู้สึกเบื่อแต่เพียงแต่ ว, ว่าก่อนที่จะเข้าไปบวชผมปฏิบัติมาแล้วสิบปีก็จึงเข้าใจอยู่แล้วจนวันหนึ่งผมถึงบอกตัวเองได้ว่าเข้าใจผิดแล้ว ที่บอกว่าคาราวาสเป็นอิสระอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากไปไหนก็ได้ไปนั่นไม่ใช่อิสระเขาตกไปคำหนึ่งเขาตกคำว่าที่ว่าอยากกินอะไรก็ได้กินเนี่ยเขาตกไปคำหนึ่งว่าลองไม่ได้กินเสีมันลืมไปคำหนึ่ง ลองไม่ได้กินสิอยากไปไหนก็ได้ไปลองไม่ได้ไปสิดูสิอะไรจะเกิดขึ้นชวนแฟนไปไปกินข้าวนี้กันอร่อยนะไม่ไปอะยุ่งลองไม่ได้ไปสิลองไม่ได้กินสิลองไม่ได้ทำดูสิเนี่ยอยากจะเล่นเงี้ยพอมาอยู่เงี้ยไม่ได้ลองไม่ได้ทำสิ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไงนี่เรียกว่าอิสระอย่างนี้เขาเรียกธาตุเขาไม่ได้เรียกอิสระเขาเรียกว่าลูกธาตุเกิดมาเป็นธาตุตั้งแต่เกิดธาตุไม่มีสิทธิพูดคำว่าอิสระไม่เคยมีอิสระของจิตของใจเลยอยู่ภายใต้คําบงการของกิเลสตัณหาทั้งหมดมันสั่งให้ทำอะไรต้องทำลองไม่ทำเนี่ยจะโยนน้ำร้อนเข้าไปให้นั่งไม่ติด นั่งเฉยๆนั่งไม่ติดพรากิเลสตันหามันดันหมดมันสาดน้ําร้อนเข้าไปนั่งไม่ติดเลยแทบจะต้องวิ่งออกไปข้างนอกเลยหยทนไม่ไหววิ่งนั่งอยู่ได้ยังไงเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆยังนั่งไม่ได้นี่คือสัญญาณเตือนภัยนะไม่มีใครไปยุ่งเลยนะอาสนะใครอาสนะมันเลยนะไม่มีใครมารบกวนด้วยอยู่ข้างนอกยังมีคนรบกวนไม่ได้หยุดเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็นายเรียกไปเดี๋ยวก็เรียกลูกน้องมาว่า มันไม่ได้หยุดเลยนะเดี๋ยวก็ลูกบอลเดี๋ยวก็สามีว่าเดี๋ยวก็แฟนจะไปนู่นมันรบกวนไม่ได้หยุดแต่กลับชอบนั่งนี่โอไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้ได้กลับบ้านแล้วเพรยช่วนหน่อยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรคืออิสระอะไรคือธาตุดูให้ออกผมนึกบอกว่าวันที่พอถึงวันหนึ่งผมนอกโอโพระนี่แหละอิสระจริงๆคนจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ว่า พระนี่หละอิสระการบวชการออกไปการพลากการเน่ห์ขมานี่แหละคืออิสระที่สูงสุดแล้วแม้จะอยู่ภายใต้ธรรมวินัยหรืออะไรก็ตามถ้าคารวดก็มีทำมีมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกามีข้อวัดมีข้อปฏิบัติที่ไม่ทำให้ตัวเองไหลหลงออกไปข้างนอกไกลนักอิสระคือมันอยู่ที่ใจใจมันเป็นอิสระเป็นอิสระจาก นึกถึงภาพคนสุบุรีเนี่ยพออิสระคือไม่อยู่ภายใต้การบีบคั้นบีบบังคับของอะไรอีกแล้วจะเป็นคนบงการไม่ใช่ถูกบงการวันนี้กิเลสเป็นคนบงการอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอิสระไม่ใช่เห็นอะไรอยากได้อยากได้กระถูกมันบีบบังคับให้ต้องไปซื้อต้องให้ไปหาเงินต้องให้ไปกู้ต้องให้ดินน้นรนนะ เงนไม่มีไม่พอก็เพราะว่ามันถูกบีบให้ไปหาไปกู้ไปเซ็นสุดท้ายก็หาไม่ทันก็กลายเป็นทุกข์ช้าใจชอกใจวนเวียนเวียนวนอยู่นั่นนะไปไม่รอดเพราะนวันนี้มาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้อิสระจากใจผู้หญิงเห็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโอหน่ารักจังเลยอยากรู้จักจังเลยตอนนี้ตันหาบีบคั้นแล้วตันหามันบีบคั้นแล้วยังเนี่ยเนี่ยแล้วอิสระ การได้ไปหาเขาเนี่ยนะัคืออิสระหาเพราะอะไรหาเพราะความบีบคั้นมันจิกหัวเป็นทาตุนั่นเองไปขอเบอร์เข้ามาแล้วมันจบที่เบอร์ที่ไหนนะมันจบที่ไหนนะมันจบที่นั่นนะแล้วที่นั่นพาอะไรต่อละ่ะยาวเยียดเนนะ่นะวันนี้มาเพื่อมาออกจากทุกข์นะ ไม่ได้มาปฏิบัติบุญผมก็เชื่อว่าทุกท่าน ท, ที่เข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่ท่านเขียนว่าไม่เคยปฏิบัติด้วยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็อาจจะเคยดู YouTube ได้ฟัง YouTube มีเพื่อนแชร์ YouTube ไปให้เนี่ยก็คงเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิหรือหลักสูตรนี้เราเราเราพูดอะไรนะพูดแต่ความจริง เราไม่ได้มาอวยไม่ได้มาอะไรสร้างความเชื่อใดๆทั้งสิ้นสมาธิถี่ไม่ใช่ความเชื่อสมาธิที่คือความจริงของธรรมชาติที่เราเข้าไปเข้าใจความจริงของธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจความจริงของธรรมชาติมันก็จะเป็นมันอย่างนั้นเราเองต่างหากที่ไปตั้งอะไรไว้ในใจวันนี้พวกเรามีความทุกข์กันได้เพราะอะไร <c oughs> เพราะอะไรสมมติว่า สามีหรือแฟนไม่ไม่ได้ดังใจเลยนะไม่ได้ดังใจอะไรที่แปลว่าไม่ได้ดังใจเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอ่ะสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเป็นแฟนกันเขาเคยเปิดประตูให้เรื่องง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องกันมาหลายบ้านแล้วเคยเปิดประตูให้เราทุกครั้งเดี๋ยวนี้เขาไม่เปิดประตูให้ฉันเลยเขาไม่ตักอาหารให้ฉันเลยเอาละ มันก็อาจจะเพื่อนมันอาจจะหมั่นไส้อาจจะอยากจะแย้งแต่ก็เห็นใจมึงตักเองไม่เป็นไงต้องร้อยเขามาตักให้ตักเองไม่เป็นอ่ะแต่มันไม่ช่อย่นั้นเมื่อก่อนก็ตักให้ฉันตลอดมันก็เริ่มค่อยๆซึมซับความเคยชินหน่อยทีนี้พอเขาไม่ตักให้พอเขาไม่เปิดประตูให้ก็เริ่มเปิดอัดขึ้นมาเพราะรู้ไหมว่าเราสร้างแฟน เข้ามาไว้ในใจเราคนหนึ่งแล้วแฟนในใจเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเราสร้างภาพไว้แล้วว่าแฟนในใจของเราลักษณะเป็นยังไงทีนี้ไอตัวจริงเนี่ยมันจะเหมือนกับไอตัวที่อยู่ในใจของเราไหมไออยู่ในใจของเราเนี่ยเราปั้นมันขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวละครในโปรดิวเซอร์ที่ตั้นไอปั้นไอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือกิเลส ความเป็นตัวตนของเราเป็นคนปั้นขึ้นมาในใจทีนี้แฟนเราเนี่ยมีกิเลสไหมมีเขามีกิเลสของเขาเราเนี่ยเลวกว่าเยอะเราเลวกว่าตรงที่ว่าเราต้องการให้คนที่เขามีกิเลสของเขาเนี่ยมาทำให้ตามใจกิเลสของเราเราเบิ้ลสองต่อเลย เราเนี่ยขน้าขยะกขแยงสองเท่าคือคนเราเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาบอกว่า whatever will be หรือว่าคุณจะเป็นอะไรก็อย่างที่คุณเป็นอะไรเงี้ยนะแต่เรากลับอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราโกรธตุ๊กตาของเราในใจ เป็นหนึ่งไอ้ตัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นอย่าง น, นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอานะนะอยู่กับลมหายใจเห็นการกระทบตามความเป็นจริงจิตตั้งมั่นเห็นธรรมชาติของความเป็นจริงรู้ไหมว่าที่ผมพูดเดี๋ยวท่านกลับไปหาฟังเราเองกันแล้วกันที่เ็าอัดไว้ให้นะกลับไปฟังใหม่ฟังไปเรื่อยรื่อนั่งสมาธิเราฟังไปเรื่อยื่อวันหนึ่งท่านจะเห็น สรรพสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเข้าใจสรรพสิ่งตามธรรมชาติเอาละเมื่อก่อนนั่งสมาธิมีคนหลกหูมีคนไอมีคนเดินเข้าเดินออกลำคาญหดงดหงดิดแต่ตอนนี้พอจิตตั้งมั่นบอหมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอะไรจะเป็นอะไรก็เป็นไปตามธรรมชาติใครจะเป็นอะไรใครก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาจิตตั้งมั่นอยู่พบที่พูดถึงจะเกิดไหม ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแปลว่าภพนั้นดับถูกไหมความคาดหวังในสรรพสิ่งต่างๆในบุคคลเราเขาจะไม่มีถูกไหมทุกจะไม่มีที่ตั้งถูกไหมแล้วจะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงจะเห็นลูกที่เป็นยังไงก็เขาเป็นอย่างนั้นจะเห็นสามีจะเห็นแฟนจะเห็นทุกๆคนเป็นไปตามสิ่งที่เขาเป็นถูกไหม เพราะไม่ก่ออีกคนหนึ่งขึ้นมาในใจคนนี้ดับนิโรธใครจะเป็นอะไรเข้าใจตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้าเข้าใจภาพนี้ <c oughs> ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง <c oughs> <c oughs> มีพนัก ง, งาน <c oughs> บริษัทหนึ่ง <c oughs> นี่ผมไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้เปิดขึ้นเปิดคอร์สมาเดือนครึ่งนะตั้งแต่หนึ่งธันวาจนถึงวันเนี้ยวันที่สนะิบเก้าเป็นช่วงเวลาที่ผมหยุดนานที่สุดแล้วในการเปิดคอร์ส4ี่สิบเก้าห้าสิบวันติดกันได้พักเต็มที่เลย ห้าสิบวันที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนมันมีแต่บัมเปอร์ถูกบัมเปอร์คือปิดคอร์สแล้วก็ไปต่อปิดคอร์สแล้วก็ไปต่อที่เป็นครั้งที่หยุดนานที่สุดถ้าท่านานข่าวที่เขาก็าผมป่วยไม่ใช่เขาว่าหรอกว่าผมป่วยนั่นแหละนะผมป่วยเมื่อเช้ามีหมอจากโงพยาบาลบารุงราษฎได้ข่าวก็มาขอตรวจมาตรวจนั่นตรวจอยู่ในห้องตรวจตรวจผมก็ถามเคยมาเข้าคอร์สเหรอ จำไม่ด้นะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนอ่ะพูดถึงไหนวะเอาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพนัก ง, งานโตโยต้าบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ refer to หมอก็าบอกว่าสดีเพื่อนหมอเคยมาปฏิบัติที่ที่ท่านเอ่ยชื่อมาแต่ผมไม่รู้จักหรอกเพราะว่าอย่างเงี้ยลผมจะไม่รู้จักได้ไงถ้าเกิดไม่เข้ามานั่งคุยกัน แนะนำตัวกันขนาดจริงจนะังน่ะก็ไม่รู้หรอกคนเยอะแต่ก็คือสรุปว่าเป็นหมอจากบางลงราชอนะหมอจากบางุงราชสรุปว่าเมื่อเช้าเข้ามา ก, กันสามีภรรย า, ขาขจะมาเข้าคอสจะเผอิญว่าคุณหมอสามีไม่สบายเป็นไข้วันใหญ่เลยต้องไปแอดมิดกันหมดนะภรรยาก็เลยพาไปแต่ก่อนพาไปก็ไปขอตรวจผมก่อนเขาบอกว่ารับคําสั่งมาจากเพื่อนๆนที่เป็นหมอด้วยกันอนะผมก็ผมไม่รู้จัก เพื่อนเขาเลยแล้วก็ไม่รู้จักเขาด้วยเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนบอกเขาว่ากึ่งบังคับว่าเธอไปตรวจอาจารย์ประเสริฐ ไ, ไหนไหนก็ไปแล้วนะเห็นว่าไม่สบายท่านเึงโลกหมอหมอหัวใจของพระลุงร่านก็มาถึงก็ามาตรวจตรวจก็บอกค่ะหัวใจแข็งแรงอะไรแข็งแรงก็ตรวจเส้นเลือดที่จะขึ้นไปเลี้ยงสมองอะไรทุกอย่างก็ดนะูก็แข็งแรง ก็เลยก็บอกว่าตอนนี้ในวงการหมอเนี่ยที่เชื่ออะไรยากมากพวกเราถูกสอนมาด้วยความมีเหตุมีผลใครๆก็บอกว่าหมอนี่มีอัตราสูงผมก็ก็คงจริงนะั้าแต่ว่าพอเจออะไรที่มันผมก็ไม่ได้บอกว่าธรรมะคือวิทยาศาสตร์แต่ธรรมะคือธรรมชาติของความจริงท่านเองถ้าวิทยาศาสตร์แสดงความจริงด้วยเหตุผลก็แสดงไป แต่ธรรมะเหนือกว่าหน่อยนึงก็คือว่าธรรมะไม่ต้องใช้เหตุผลอธิบายมันคือความจริงของธรรมชาติที่ไม่อยู่บนความเชื่อไม่ต้องมีเหตุผลเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้จะบอกเอาเหตุผลมาซัพพอร์ตก็ได้แต่อยู่นอกเหตุเหนือผลทั้งหมดแต่อธิบายได้เหตุผลได้แต่ธรรมะอยู่นอกเหตุเหนือผล การอธิบายทั้งหมดหมอทุกคนจึงเข้าใจตอนนี้หมอจึงแชร์ให้หมอหมอจึงแชร์ให้หมอผมก็ต้งแปลกใจว่าผมไปตามโรงพยาบาลมีหมอเข้ามาสวัสดีบ้างอะไรบ้างทักทายบ้างเกือบทุกโรงพยาบาลผมก็เขารู้จักผมได้ยังไงนะคือหมออ๋อผมก็คุยกับเขาาเพราะรว่าเพื่อนหมอเป็นหมอไงก็เพื่อนหมอเป็นหมอพอเพื่อนหมอส่งแชร์มาหมอก็แชร์ให้เพื่อนหมอเพื่อนของหมอก็เป็นหมอเพราะนั้นหมอก็เลยแชร์กันให้เพื่อน แต่เพื่อนทุกคนเป็นหมอก็มีแต่หมอหมอก็เลยนั่งฟังทำที่บอกเอเอค่อยฟังกันรู้เรื่องหน่อยนะไม่ไม่ใช่มีแต่ความเชื่อเอาแต่อะไรขึ้นมาแต่ว่าเออค่อยอธิบายไดนะ้แม้แต่กายไม่ใช่เราก็ยังหมอก็ยังยอมรับอยากเถียงนะแต่เถียงไม่ได้นะเอาละมันก็เรื่องหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ออกไปทําไมกลับมาเรื่องที่ผมจะเล่าให้งก็คือ เรื่องของความคิดที่บอกว่าเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปดั่งใจเราเราก็จึงสร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวผมบอกเลยว่าท่านไม่รู้ตัวสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาท่านไม่รู้ตัวทําไมถึงไม่รู้ตัวเพราะเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดจนชินเรามีสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดที่ผมถามท่านที่ผมบอกว่าเราไปเหยียบขี้หมาขี้หมาจากหมา ท้องเสียเหลืองเหม็นท่านก็ค่อยๆปรุงตามขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมปรุงตามขึ้นมาเรื่อยๆผมบาถามว่าเห็นไหมว่าในใจของท่านปรุงขึ้นมาถ้าผมไม่พูดท่านจะเห็นไหมก็ไม่เห็นเพราะมันมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกวั น, นเป็นตลอดเวลาพูดอะไรมาท่านก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าขณะที่ท่านดูทีวีแล้วท่านนั่งตะกิกระซิร้องไห้ได้เนี่ย ขณะที่ตาท่านดูทีวีอสมมติว่าดูทีวีอยู่บนจอเนี่ยท่านได้สร้างอีกจอหนึ่งขึ้นมาท่านรู้ไหมท่านกําลังดูทีวีสองจอจอหนึ่งเนี่ยกระทบเข้าทางนี้อีกจอหนึ่งเนี่ยคือจอใจท่านกําลังสร้างหนังเรื่องเนี้ขึ้นมาในใจอีกตัวหนึ่งแล้วบางครั้งท่านก็เปลี่ยนเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเล่นในหนังด้วยเข้าใจยัง จากนั้นเมื่อเกิดความยึดถือเข้าไปในภาพในจอสองเนี่ยจึงเริ่มก่อให้เกิดอารมณ์บางคนเนี่ยแม้มันสะท้อนเป็นกับชีวิตของฉันเลยร้องไห้ท่านไม่ได้ร้องไห้ที่ตัวนี้นะท่านร้องไห้ที่ตัวนี้ท่านร้องไห้ที่ตัวนี้ท่านปรุงตัวนี้ขึ้นมาแล้วเข้าไปยึดถือโลกนี้โลกเสมือนที่เป็นเหมือนจริงเด็เด วันนี้ท่านมีแฟนคนหนึ่งท่านอยากให้เขาเป็นไปดังใจคํานี้มันชัดอยู่แล้วท่านได้สร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมาในใจแล้วคนคนนี้คนตัวจริงเนี่ยไม่เหมือนคนตัวปลอมที่ท่านสร้างขึ้นมาที่จึงทําให้ศาสตร์เป็นสาเหตุให้คนสองคนอยู่กันไม่ได้เพราะทั้งสองคนไม่เข้าใจความจริงของแต่ละคนเลยทั้งสองคนอยู่ในโลกของตัวเองที่ต้องการให้เขาเป็นไปดังใจเราเฉย เพราะฉะนั้นหาไปเถอะถ้าเมื่อไรตรงนี้ไม่มีจะอยู่กันได้แม่อาจารย์ก็ไม่อยู่ด้วยอยู่ทำไมมันก็เป็นธรรมชาติมันจะไปสุขอะไรไม่มนก็จะอยู่กันได้ยืดก็ยืดในระดับนึงแหละแล้วก็ถ้ามันอย่างนั้นต้องคู่นะก็คงจะบวดกันเถอะ ดีกว่าดีกว่าจงปรักดักดานกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้อะไรไปหาทางพ้นทุกข์กดีกว่ายิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ขันทั้งห้าเป็นของหนักเน่าของตัวเองก็จะตายอยู่แล้วมีแบกอีกขันหนึ่งเข้ามาอีกเป็นไปไม่ได้อเอาละทีนี้มาถึงเรื่องพนักงานตโตโยต้าคนหนึ่งมาเกี่ยวอะไรด้วยก่อนมาเข้าคอสปฏิบัติพนักงานของตโตโยต้าคนนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ เขาเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เขาบอกว่าโทรศัพท์ที่เข้ามาเนี่ยด่าทุกคนเลยทำไมรถเป็นอย่างนั้นซ่อมแล้วไม่เห็นหายนิดทรงก็มาทราบที่เราคือดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าเรื่องความไม่พอใจซ่อมไม่เป็นอย่างที่ต้องการเรืออะไรก็แล้วแต่ จนโอยมันอะไรกันทัน้ ก, กันหนานจะไม่ด่ามันได้ทำไมต้องด่ากันด้วยพูดกันดีๆไม่ได้นี่ยนั่นคือก่อนที่เขาจะเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมพอเขาเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมจบไปอยู่แค่สี่วันคอสันสีวันเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเอาละถึงตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกแต่เขากลับมาเข้าครั้งที่สองพอกลับมาเข้าครั้งที่สองเขาเล่าให้ฟังว่า เล่าต่อหน้าทุกคนหลังจากมาเข้าคอร์สครั้งนั้นจบออกไปก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมลูกค้าก็ด่าเหมือนเดิมด่าเหมือนเดิมทุกวันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นไงเออไปปฏิบัติธรรมมาอนุโมทนาไม่มีลูกน้องลูกค้าไม่รู้เรื่องลูกค้าไม่รู้เรื่องส่งรถเข้ามาไม่ได้ซ่อมไม่ดีเหมือนก็โทรมาด่าด่าเหมือนเดิม แต่เขาบอกว่าหลังจากวันนั้นแปลกมากไม่รู้ทำไมเขาถามเราบอกไม่รู้ทำไมเขาไม่รู้สึกโกรธลูกค้าเลยผมก็ถามสักเจ็ดวันได้ไหมปกติออกไปมันจะไม่ค่อยโกรธใคร่ะเจ็ดวันจากนั้นกูว่าจะเป็นคนดีเขาซะหน่อยมึงนะมึงไม่ยอมเลิกใช่ไหมแต่เอาละพอเขาบอกเสร็จผมก็ เขาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเขาเห็นแต่ลูกค้านะกําลังมีความทุกข์ลูกค้าที่ดา่ดาด่ามันเนี่ยแต่เขาแทนที่เขาจะกลับมาอยู่กับสิ่งที่กระทบเข้ามาทางหูวิ่งเข้าไปสู่ใจปุงแต่งเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นแต่ลูกค้ามีความทุกข์ที่ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนา เขารู้อย่างเดียวว่าทํำยังไงถึงจะช่วยให้เขาพ้นทุกไปได้ระหว่างที่ลูกค้ากําลังด่าเขาเขาพยายามคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปประสานกับฝ่ายนี้ฝ่ายนี้เราลองเช็คดูใหม่ให้คุณเอารถกลับเข้ามาเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ใหม่น่าจะเป็นตรงนี้ที่เราไม่ได้ดูเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก็จะไปคุยกับช่างแล้วก็โทรศัพท์กลับไปบอกหลังจากนั้นเขาทางานอย่างมีความสุขเขาก็เริ่มแปลกใจว่าทํำไม ทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงมีแต่ความทุกข์แล้วทำไมหลังจากมาเข้าคอร์สแล้วเขาถึงไม่รู้สึกโกรธลูกค้าอีกเลยแต่กลับเห็นใจจะบอกสงสารก็ไม่ใช่แต่เห็นใจเขาก็ลังมีความทุกข์จะทำยังไงถึงจะช่วยเขได้เอาละผมเล่าแค่นี้เนี่ยถ้าท่านฟังมาจนเริ่มนึกออกท่านจะเห็นเลยว่ามีอะไรบางอย่างที่เนี่ยดับ เห็นความจริงเห็นว่าคนอื่นกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เห็นเออทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เห็นนั่นน่ะสิ แต่พอเพลของกูมีขึ้นจนได้พอหายเพลท้องกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดี เรื่องที่เราอ่านดูก็ไม่มีอะไรแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าทำไมเรื่องเวลาเกิดกับเราเรารู้สึกแบบหนึง่งเช่นถ้าเราออกจากซอยแล้วเราพยายามถ้าเราวิ่งมาจะขึ้นสะพานลอยมีคนมาเบียดเราก็จะด่าเขาว่าเขาจะในใจหรือจะพูดออกมาในรถเขาต่าง คนเดี๋ยนี้มันเห็นแก่ตัวจริงๆคนอื่นก็ต่อแถวกันมาเขารอกันมาไอ้นี่มาถึงก็เบียดเอาเบียดเอาปคนเห็นแก่ตัวเอ้ยแต่ถ้าเราออกจากบริษัทเราต้องรีบเข้าไปให้ทันไม่งั้นเราขึ้นสะพานลอยไม่ทันเราจะรถติดแล้วก็โดนบังคับอยู่เลี้ยวไปไหนไม่รู้กว่าจะกลับมาที่เดิมได้กว่าจะไปตรงนู้นได้เราก็จะมีเหตุผลในใจของเราเพื่อจะเบียดเขาเหมือนกันเบียดเข้าไปให้ได้ ถ้าเขาไม่ให้เข้าเราก็จะว่าเขาเป็นคนเดี๋ยวที่มันไม่มีน้ำใจดูสิมันเบียดจนกระทั่งเราเข้าไม่ได้เลยซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็เบียดจนคนอื่นเข้าไม่ได้เหมือนกันเราไม่ยอมเว้นแม้กระทั่งกันชนเฉลือสักห้าเซนก็ไม่ได้ต้องให้มันจ่อจอติดๆแทบจะชนคันหน้าเอาวันหนึ่งเราว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่วันที่เราเป็นคนเห็นเป็นคนเห็นแก่ตัวเรากลับด่าคนคนนั้นว่าเป็นคนไม่มีน้ําใจ อะไรมันเกิดขึ้นในสังคมวันนี้ไม่ใช่ในสังคมเราเหรอกสังคมโลกเพราะทุกคนไม่เห็นเลยว่ากูเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนกูเนี่ยมันทะลุมาหลังจากผัดสะกระทบนี่แหละผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาอุปาทานอุปาทานเกิดพบนี่แหละมันมากันเป็นแถวเนี่แหละ แต่เวลามาเป็นแถวไม่ได้มาอย่างนี้มาแค่อย่างนี้ครบเลยครบเลยทีนี้ความเคยชินเหล่านี้ละที่มีเหมือนกันธรรมชาติของรูปนามจะบอกว่าตัวเราไม่ใช่นะธรรมชาติของรูปนามนี้เนี่ยมีธรรมชาติเรียนแบบกันมีธรรมชาติเรียนแบบกันเคยนั่งในรถที่มีคนหาวไหม อีกสักแป๊บเราจะหา่าเราก็จะงงๆว่าห่าทำไมไม่ได้ง่วงไม่ได้ง่วงหาาทำไมขเขาเขาหาเดี๋ยอนี้ผมทำนี่เดี๋ยวมยว ม, มีคนหา่าละโอ้เยอาจารย์อาจารย์นนนหนูไม่หาาหรอกหนูหลับเลยนั่งสมาธิไม่หาวหลับไปเลย เพราะฉะนั้นธรรมชาติของรูปนามเรียนแบบกันดังนั้น 7,600 ล้านคนเนี่ยเรื่องเรียนแบบเนี่ยง่ายสุดๆ s ocial network นี่จึงเข้าทางไอ้รูปนามนี่จริงๆมันพร้อมจะเรียนแบบกันอยู่แล้วมันก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองหน่อยหนึ่งแล้วก็กระโดดเข้าไปกระโจนแล้วก็ใส่ตามกาไปก็จะเกิดเป็นสองพวก3สามพวกขึ้นมาก็จะมีพวกหนึ่งตามกันพวกหนึ่งตามกันพวกหนึ่งตามกันก็ตามว่ากันไปเรื่อย ดังนั้นเรากลับมาอยู่กับความตั้งมั่นได้เมื่อไหร่เนี่ยความเหตุนั่นถูกต้องถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่หลงไหลไปตามสิ่งที่คนก็ว่างั้นถูกว่างี้ดีว่างี้ไม่ดีการมาฝึกอย่างเงี้ยดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะแรกๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนั่งสมาธิใจเป็นสมาธิอออกจากสมาธิ ใจก็หมดความเป็นสมาธิแล้วมันทำอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวพอสมมติไปเจออาหารอยากกินอาหารเห็นความอยากกินเกิดขึ้นพอได้กินแล้วก็มีความสุขอ่ะแค่นี้เป็นความสุขความสุขเสร็จแล้วเกิดมีอะไรมากระทบก็เป็นความทุกข์คือทุกอย่างเราเห็นเป็นอย่างๆอย่างๆอย่างๆอย่างๆอย่างๆจริงๆมันก็คือการของเกิดดับนั่นแหละแต่มันเป็นการเกิดดับอยู่ที่ฐานฐานหนึ่ง ก็คือฐานของใจมันจึงไม่รู้ว่าอะไรคือที่เกิดอะไรคือที่ตั้งอะไรคือเหตุอะไรคือเหตุหตแห่งการดับมันคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดวันนี้นั่งอดทนปวดขาท่านไม่รู้หรอกว่าการอดทนปวดขาในวินาทีนี้ในการมาฝึกครั้งนี้จะทําให้เราไม่ฆ่าตัวตายในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในสิบปีข้างหน้า เราสามารถอดทนอดกลั้นจนชนะความต้องการที่จะเลิกได้ในวันที่เราสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นพิการอยู่ๆต้องนอนครึ่งหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงความรู้สึกแรกที่คุณหมอทุกคนจะถามคนไข้คือคุณมีความรู้สึกอยาก่าตัวตายไหม ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากไม่อยากอยู่เป็นภาระให้กับครอบครัวแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วอยู่ไปนี่จะสร้างแต่ภาระให้กับครอบครัวทุกคนจะตอบว่าอยากฆ่าตัวตายทั้งหมดทีนี้เมื่ออยู่คนเดียวได้ก็จะพยายามหาทางฆ่าตัวตายจนได้แต่การที่เราอดทนอดกลั้นจนกระทั่งพ้นไปได้ในแต่ละขณะแต่ละขณะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆ มันคือความบีบคั้นตัวเดียวกันมันผ่านไปได้ก็เพราะมันคือความบีบคั้นตัวเดียวกันที่เรียกว่าตันหาวันนี้เด็กรุ่นใหม่ที่พ่อแม่ตามใจทำไมถึงอดทนอดกลั้นอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่เคยฝึกความอดทนอดกลั้นเลย พอไม่กินข้าวพ่อแม่ทำไงเอาเกมให้เล่นอาปากไม่งั้นไม่ให้เล่นเกมอาปากกินอ่ะให้เล่นขึ้นรถไม่งั้นมันนั่งไม่อยู่ไม่เป็นสุขบนด้าทะเลาะกันอยู่ในพี่น้องเอาไปคนละเครื่องนั่งหน้าไม่ได้ทิ่มลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเด็กจะไม่เคยฝึกไม่เคยฝืนไม่เคยรู้สึกที่จะอดทนกับอะไรทั้งสิ้น เมื่อถึงวันวันหนึ่งทำไมวันนี้มันถึงได้ขว้างทำไมวันที่มันถึงได้ทำทุกอย่างอย่างที่มันต้องการลงไปนอนดิ้นกลางห้างเพื่อจะให้ได้ของสิ่งที่ต้องการสังคมกำลังสร้างะจะบอกว่าเด็กจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาด้วยกันแบบเดียวกันทั้งหมด เหมือนุ่นแอนดรอยที่สุก ส, สร้างขึ้นมาจากระบบเดียวกันทั้งหมดจะตอบสนองแบบเดียวกันแต่จะมีความต่างกันอยู่บ้างก็คือพื้นฐานของภูมิหลังพื้นฐานที่แต่ละครอบครัวมีที่แตกต่างกันสัมมาทิฏฐิที่แตกต่างกันในแต่ละบ้านแตกต่างกันถ้าบ้านไหนที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเต็มไปด้วยตัวตนมีแต่แม่รักลูกนะแม่รักลูกนะ ไม่นานนะแล้วพวกเราสมมติว่าท่านเป็นคนจีนสร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองเมื่อก่อนพ่อแม่ทำไงไม่เคยตามใจเลยให้ทํานูน่ทนทํานี่บนดาว่าอดทนทํามาจนวันนี้เจริญรุ่งเรืองท่านโตมาด้วยอะไรผมถามผู้ปกครองโตมาด้วยอะไรโตรมาด้วยความลำบากท่านลืมไปแล้วว่าความลำบากสร้างคน แต่ท่านยัดเย็ดความสบายให้กับลูกทั้งหมดเพราะท่านเคยลำบากมาก่อนมันเป็นปมด้อยของตัวเองท่านจึงพยายามจะกกปมด้อยนั้นของตัวเองด้วยการยัดให้ลูกอย่าให้ได้เหมือนเราท่านลืมไปว่าเรายืนขึ้นมาได้วันนี้เพราะความลำบากแต่ท่านได้ยัดทุกอย่างที่มันทั้งลุ่มนิ่มทั้งไม่มีสาระให้กับลูกพราอ น, นาคตของเขาล้มทั้งยืนแน่ ไม่มีทางที่เขาจะนำพาธุรกิจหรือว่าชีวิตของพวกเขาเดินต่อไปได้เขาไม่มีสัมมาธิฏิเลยเขาไม่เคยสู้กับชีวิตเขาไม่เคยที่จะต้องต่อสู้กับชีวิตอะไรทั้งสิน้นแม้จะอดทนกับใจของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสุดเขายังทำไม่ได้นะั่นโครงการมักน้อยที่พวกเราเปิดมาฝึกเด็กๆ เ, เนี่ยในวันแรกเนี่ยโอ้โหเห็นเด็กนี่เห็นพ่อแม่เลย ท่านนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงท่านยังโอ้ดขาจิงเลยอ้ตนเอาละ่ะเปลี่ยนเป็นถ้าถ้าท่านมีลูกนะลองเปลี่ยนว่าลูกของท่านต้องมานั่งครึ่งชั่วโมงเหมือนกันโอ้จะนั่งได้ไงลูกฉันเนอะนาทีหนึ่งมันยังนั่งไม่ได้เลยมันเอาแต่เล่นเกมหะทุกคนก็จะพูดนี้หมดไปแอบดูสิแล้วนั่งได้ไหมไม่ได้ก็ <c oughs> นั่งไม่ได้ไงมันถึงต้องฝึกไง แล้วฝึกห้าวันจะสู้กับห้าพันวันที่อยู่กับพ่อแม่ได้ไหมละ่ะพ่อแม่โอ๊ยมาช้านเข้ามาตั้งห้าวันแล้วทำไมไม่เห็นดีขึ้นเลยจะด่าผมไม่จะด่ า, ดาตัวเองจะด่าผมไม่จะด่ า, ดาตัวเองอยู่กับผมห้าวันอยู่คุณสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าวันเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ฝึกมีปัญญาฝึกไหมละ่ะเพียวันนี้เราเข้ามาสมวันเนี่ย จะให้ผมฝึกอะไรจะให้ผมเปลี่ยนอะไรผมได้แค่บอกพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าตาทางก้นเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะการฝึกการเปลี่ยนนิสัยใจคอการเปลี่ยนสัญชาตญาณมันของเราไม่ใช่ของมันของเราใช้ใครมาเปลี่ยนให้ใช้ใค ร, ใครชี้จิตแล้วบอกว่านี่นะเอหลงไปนะเชี่ยวินาทีหนึ่งแ้วกลับมารู้ลงอมแต่นี้ไม่หลงแล้วนะ แล้วอยังไหนแล้วของเดิมแล้วจะใครจะแก้กลับมาที่ความจริงนะกลับมาที่ความจริงนี่ผมไม่ได้อะไรเลยนะผมให้กลับมาที่ความจริงพระเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้ฝึกให้ถูกหน่อยเรารู้แล้วทุกเกิดขึ้นจากตรงไหนกิเลสเกิดขึ้นมาจากตรงไหนมีกิเลสมีทุกแน่ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นคําว่าละกิเลสเนี่ยเอ๊ะละกิเลสมันยังไงนะอาจารย์มีคนเขียนมาถามผมว่า ผมผมบอกว่าอย่าเอาแต่เข้าใจนะให้ละกิเลสด้วยจดหมายที่ผมเพิ่งออกไปเมื่อเมื่อเร็วๆนี้มีคนหนึ่งเขียนกลับมาถามผมว่าอาจารย์คือคำง่ายๆเลยนะพอเอาขึ้นจริงๆมันนึกไม่ออกนะละกิเลสหมายถึงอะไรเอออาผมให้ท่านตอบตอนนี้ มาปฏิบัติธรรมอย่าเอาแต่นั่งฟังเข้าใจโอ้ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจอย่าลืมละ ก, กิเลส ด, ด้วยนะไม่งั้นจะกลายเป็นกูรู้ผมเก่งแค่นี้นแล้วละ ก, กิเลสเป็นยังไงเพราะผมอ่านคำถามเนี่ยนะผมออรู้หมดนะปฏิจจสุบาทอะไรต่ออะไรรู้หมด ละกิเลสทำยังไงลองนึกดูสิท่า น, านจะมาละกิเลสทำางไงกิเลสคือโลภโกรดหลงก็นี่ยงมาละความโลภความโกรธความหลงแล้วมันมาจากไหนโลภโกรดหลงเนี่ยยุงบินมาวิวีวแล้วอะไรอึดอัดลำคาญไม่พอใจตรงนั้นคืออะไร โพสอ่ะรัะกิเลสเนอ่ยรักท่านรักไงอ่ะนัะ่นเราคุณรักไงรู้ลมหายใจอ่ะอ่าสมมติว่ารู้ลมวีกําลังโกรธรูล้ลมหายใจอ่ะล่ะขณะที่รู้ลมหายใจคือสติถูกไหมคือจะรู้ยังไงอย่างน้อยก็สติเกิดล่ะสติเกิดแล้วถูกไหมอ่าสมมติถ้าความโกรธ ด, ดับไปเพราะมันมีสติแล้วเนี่ ความโกรธมันไม่ได้โกรธอะไรกันมากมายหรายุงแค่วี่เดียวเนี่ยอ่ขาขณะที่สติเกิดขึ้นเนี่ยกิเลสอยู่ไหมไม่อยู่ความโกรธเมื่อกี้ที่โกรธยุงอะไรก็ไม่อยู่แล้วแต่พอเดี๋ยวนั่งๆวิ่งอะไรนี่ว่าจะเป็นคนดีก็สักวัน <c oughs> ก็เอาอีกมาอีกเอ๊ะแล้วละ ก, กิเลสอย่างไงเนี่ย ไม่งั้นก็ต้องทํากันอยู่อย่างเนี้ทั้งชาติเหรอก็เห็นอาจารย์บอกรู้ลมละไว้ไม่ไหลไม่คั้มควรอ่ารู้ลมเข้าใจแล้วรู้ลมพออกุศนเกิดขึ้นให้ละอกุศลอ่าอักุศนเกิดขึ้นละอักุศลไม่ไหลวีๆ อ, อันนี้ไหลแล้คือไหลไปกัอารมณ์แล้สรุปแล้วเกิดการ ทำไปทำมาเนี่ยมาปฏิบัติกันแทบตา ย, ยบอกให้ละกิเลสเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้คืออะไรจริงๆโอ้โหผมก็เลยเออเว้เราเริ่มจากง่ายๆเลยไหมเอาภาษาง่ายๆเลยนะสมมติว่าเอาเริ่มจากตาก่อนนะกิเลส ม, มันเกิดได้เนี่ยอาศัย อินทรีย์ทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่อยู่ข้างในในใจฮนะเรา น, นี้ช่วงนี้เราพูดเรื่องใจกันเยอะทีนี้เรากลับออกมาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บอกว่ารู้แล้วจานเอาเรื่องยากๆน่ย <c oughs> อยเอะ <c oughs> นี่ไง ผมถึงถามก็ตอบคําถามแบบที่เขาเขียนมาถามผมตรงๆคนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่อ้อมค้อมไม่แบบทําฟองว่ากูมาเขนาดนี้แล้วจะถามอะไรแค่ละกิเลส <c oughs> กูว่าไอ้ที่กำลังกำลังพูดนั่นอนะตัวตนนะโมหะยังละไม่ได้เลยอะไรคือระกิเลสอาเซียนเียนทั้งหลายที่นั่งปฏิบัติเนี่ยอะไรละกิเลสกลับมารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องพื้นฐานที่เห็นเห็นกันอยู่ เมื่อตากระทบรูปเอาละนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นธรรมะแต่เอาละ่ะลงมาที่ส ม, มุติบัญญัติตามจริงเลยผู้หญิงคนหนึ่งเห็นกระเป๋าใบหนึ่งเห็นกระเป๋าใบหนึ่งยี่ห้อดังยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่แบบที่เราชอบอยากได้ไหมอยากได้พอเห็นกระเป๋าปับ๊บอยากได้อยากนี่โลภะหยังใช่อยากเนี่ยคือโลภะ คือความโลภตกลงดีหรือไม่ดียังไม่ต้องไปดูเรื่องดีไม่ดีรู้ไว้ก่อนว่าเนี่ยโลภะความโลภถ้าได้ก็รู้สึกตัวเองมีความสุขถ้าไม่ได้ละ่ะก็อึดอัดขัดเคืองหรือพยายามจะดิ้นรนไปเอามาให้ได้ 0% 10เดือนมอญบัตรเครดิตไปกู้เงินมาไปยืมเงินเพื่อนไปขอเงินพ่อแม่เอาจนได้เห็นไหมอำนาจของโลภะเริ่มเปลี่ยนเป็นตันหาบีบคั้นให้ไปทำสิ่งนั้นให้ได้นี่ใช่ไหมที่เรียกว่าอิสระหรือทาตเอาแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบทางตาเกิดโลภะแล้วก็ไปทำตามที่มันต้องการ ผมเรียกคําว่ามันเลยไอเนี่ยตามที่มันบงการให้ไปทาเมื่อไปทําสิ่งที่มันต้องการหนึ่งครั้งมันจะได้กําลังย้อนกลับเข้าไปหนึ่งแต้มเรียกว่าราคานุสัยมันจะได้กําลังย้อนกลับเข้าไปหนึ่งแต้มทันทีคือไปเสริมกําลังมันถ้าถ้าเป็นเม็ดพลังคือเติมให้มันหนึ่งช้อน เติมเม็ดพลังให้กิเลสตันหา1ช้อนจากนั้นเมื่อเห็นกระเป๋าอีกหรือรองเทา้าเดินไปเจอรองเทา้ากระทบปั้งโลภะเกิดกำลังของกิเลสราคานุสัยทึ่มีสั่งสมอยู่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะไอตัวนี้ถ้าเป็นเกมมันได้กำลังเข้าไปละการสั่งครั้งที่สองจะทำงานแบบ หมากระดิกหางลิ้นห้อยเดินแลบลิ้นไปทําให้เลยจะแเดินแลบลิ้นไปทําให้เลยไม่มีข้อโต้แยง้งจะตกเป็นทาสแบบหมาขี้ข่าเป็นหมาขี้ข่ากิเลสสั่งแค่เห็นอะไรก็จะแลบลิ้นเดินแลบไปคาบมาให้นายถ้า โอ้ยไม่เอ า, าเดือนนี้ไม่พอใช้แขมหงนางหางรูหูรูเดินไปคาบมาให้แล้วก็หมอบเลยมันได้กำลังเม็ดที่สองผมถามว่าจนถึงวันนี้ท่านป้อนมันไปกี่เม็ดแล้วโหเอาละไม่ต้องตอบผมละ กี่เม็ดเลยเอไม่นับเม็ดนะมังคอาจารย์มันต้องว่ากันเป็นกูลุดเลเอาละหลายกูลุดเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้พอมันเห็นปั๊บเกิดไหมเกิดไม่ไม่ไม่บีบคั้นไหมบีบคั้นเอาดิแค่ความรู้สึก ก็บีบไปดอย่าบีบีบไปดกูไม่ขยับอกให้มันตายไปเลยอาจารย์บอกว่าถ้าตายจะทํำศพให้กไม่กลัวนั่งครึ่งชั่วโมงโปวดอ่อนไม่ไหวแล้ว้มันตายไปให้ขามันหักไปหักไปเลยหาใครก็ไม่รู้ชั่วโมงผ่านไปเอาที่จะเป็นอะไรก็เป็นไปดิผมขอระครังเป้น่อยชัวนะ ท่านได้ผ่านท่านได้ผ่านขึ้นมาเรื่อยๆท่านไม่รู้หรอกเนี่ยคือการในศับที่เคยเห็นนะที่เรียกว่าเผากิเลสไอ้แต้มที่ใส่เข้าไปเนี่ยหายลูดเลยสมมุติเราใส่ไปร้อยแต้มแล้วเนี่ยหนึ่งทีที่อดทนเนี่ยแต้มมันหายไปเป็นสิบถ้านั่งฝืนไปห้าทีนะสิบทีแต้มมันหายเลยทีนั่งอิสระเลย อยากจะออกคือตามเวลาไม่ใช่ให้มันบีบคั้นจนออกอย่างนี้ค่อยเรียกอิสระหน่อยถ้าเริ่มเห็นจากจุดเล็กๆนะจะเริ่มรู้แล้วว่ารรกิเลสทำกานยังไงอาศัยความเคยชินแล้วสร้างที่ยืนให้พวกมันขึ้นมาตั้งแล้วสั่งจิกหัวทีนี้ ถ้าจะละกิเลสหรือเผากิเลสง่ายนิดเดียวเลิกตามใจตัวเองยังไงอะแล้วอยู่ยังไงถ้าไม่จำใจตัวเองอยู่ตามข้อวัดปฏิบัติเอาละท่านอาจจะเป็นค า, า, า, า, ารวะนึกไปอ่ะอสมมติว่าเป็นชีชีมีข้อวัดปฏิบัติตื่นที่สาม สวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิตีห้าเครื่องออกไปบินถบาทกลับมากว่าจะได้ฉันอาหารต้องฟังเทศก่อนพิจารณาอาหารจบปาเขาอีกชั่วโมงกว่าฉันอาหารพิจารณาธีระคำเห็นถึงความจริงของการกระทบแล้วก็แค่สลายไปนะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวา่าท่าตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่กับความจริงตลอดเวลา รสชาติอาหารที่ควรว่าหลงไหลได้ปื้มเป็นนักหนาแค่กระทบลิ้นแล้วก็สลายหายไปกระทบลิ้นแล้วก็สลายหายไปที่ลงไปทั้งหมดก็ไปสร้างเนื้อสร้างกระดูกสร้างให้มีกำลังในแต่ละวันต่อไป <c oughs> ไม่มีการเข้าไปหลงเ <c oughs> มื่อทาไปบ่อยๆจนเคยคุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความอยากความไม่อยากอาหารจะเต็มโต๊ะก็เพียงแต่ตักทีละช้อนใส่ปากนะ มีใครจะเห็นความจริงนี้บ้างเวลาท่านไปเดิน International Buffet สมมุติว่าในโต๊ะลายยาวเหยียดมีอาหารทั้ง50อย่างร้อยอย่างก็ไม่รู้โอ้โห น, น, น่านนนกินนร่งๆน่ากินตักนู่นอย่นี้ย อ, อร่อยดีนะแล้วก็ไปตักจินเพราะมันอยากกินที่ครบเนี่ยมันเสียตังค์แล้วอ่ะมีใครไม่ักเสียโอ้โหนี่อร่อยนะตัอย่างเดียวเลยกินโอ้อร่อยจริงๆแล้วก็กลับบ้าน งคงรวยมากอะนะแต่ถ้ารวยขนาดพวกเราเนี่ยก็คงอยากจะกินให้มันครบแหละนะก็จะต้องกินทุกอย่างที่พอมันไปรวมกันแล้วมันไม่ได้เรื่องสักอย่างนะถ้ามันกินอย่างเดียวนั่นจะอร่อยถ้ามันกินหลายๆอย่างไม่รู้ไม่รู้เรื่องแลแต่ด้วยความที่ต่อให้มันจะกี่ร้อยอย่างมันจะตักได้ทีละคําเมื่อตักได้ทีละคํามันจะถูกลิ้นแค่ทีละคําแล้วในหนึ่งคำก็จะเคี้ยวแค่ประมาณ เจถึงแปดครั้งคําเคี้ยวแล้วก็จะลิ้นก็จะตะวัดกลืนลงไปจบแล้วเรื่องแต่คนทั่วไปมันจะไปค้างไว้ในใจโห อ, อร่อยจริงๆชอบมากเลยไหนมันจบไปแล้วถูกไหมมันกลืนไปแล้วรสชาติหมดหรือยังหมดแล้วแล้วไอ้ที่ค้างในใจคือค้างไว้ในใจแล้วใจนะ่ะจริงไหมรสชาติจริงไหมในใจตอนเนี้ยไม่จริง แล้วเราได้สร้างความไม่จริงเอาไว้ในใจค้างเอาไว้เนี่ยวันที่แฟนทิ้งไปเนี่ยมันจะค้างในใจไหมแฟนไปยังไปแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วถูกไหมแล้วไอ้ในใจนั่นอะไรก็ไอ้ของที่ค้างอยู่นั่นไงแล้วมันค้างอยู่ได้ไงก็ละทุกวันค้างไว้ไหมล่ะค้างทุกเรื่องถูกไหมโทรศัพท์คุยกับใครจบแล้ววางแล้วนะยังอยู่ไหมอยู่ แล้วมันเคยจบด้วยไหมนเนี่ยทั้งๆ ท, ที่หูก็เงียบไปแล้วคนพูดก็จบไปแล้วสายก็ตัดไปแล้ววางก็วางไปแล้วเนี่ยแล้วอันี้ยังค้างไหมค้างยังโกรธไหมโกรธยังโมโหไหมโมโหแล้วมันมีของจริงไหมเนี่ยไม่มีไม่เห็นเหรอแค่นี้ไม่เห็นเหรอทำไมไม่เห็นเพราะชินไปกับมันเพราะทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วทำไมพ่อแม่ไม่สอนก็พ่อแม่เป็นตัวดีที่ถ่ายทอดลงมาทั้งหมดแล้วมันจะมีบ้านใหม่ไหมล่ะที่พ่อแม่เป็นพระโสดาบันแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นกันอย่างนี้เนี่ยก็มหายากมันยกก็ค้างกันทุกบ้านเหรอทีนี้ก็ค้างกันทุกคนไปออฟฟิศก็ค้างไปอยู่กับเพื่อนก็ค้างมีแฟนมีสามีภรรยามีลูกมันก็ค้างกันหมด ว่ว่ดหุดิตจังเลยมาเช้านะแฟนฉันอย่างนี้ลูกตื่นสายไปทำงานไม่ทันถึงทำงานที่ทำงานแล้วก็ยังเอาเรื่องค้างๆกลับไปอยู่นั่นอ่ะต้องานมันจะเดินหน้ายัางไงแล้วก็บอกว่าเจ้านายใจโบนัสน้อยตัวมึงเคยทำงานสมเมื่อไหร่นะลองไปดูสิไม่ต้องตัวใครไม่ต้องดูคนอื่นดูเรานั่นแหละวันนึงยกขึ้นมาเนี่ยเล่นนานแค่ไหนโทรนานแค่ไหนหรือว่าติดต่อนานแค่ไหน เอาเวลาในชีวิตในออฟฟิศ า, า, าทำตัวหนึ่งร้อยนาทีในออฟฟิศเนี่ยสี่สิบนาทีสมมจตวยี่สิบนาทีมีแต่ไลน์หาเพื่อนกด a ฟ e b o o k อัพรูปขึ้นหมดไปเวลาที่ควรจะเป็นร้อยนาทีใช้ไปยี่สิบนาทีกับส่วนตัวควรจะเดินไปบอกเจ้านายเจ้านายเดือนนี้หนูใช้ไปยี่สิบนาทีกับส่วนตัวจ่ายนายเดือนแค่แปดสิบก็พอต้องพูดอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ตรงไปตรงมาแต่วันนี้ทํางานน้อยลงแต่จะเอาเงินมากขึ้นแล้วก็ไม่เคยทำอะไรนอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนเรามันถึงเห็นแต่ตัวเองจะทํำยังไงทุกคนพาลูกไปกินเอ็มเคมันกระโดดขึ้นไปบนโซฟาขึ้นไปเล่นบนโต๊ะมีความสุขเลิศเกินก็แสดงออกถึงความสุขของครอบครัวเรา อิจฉะเสรีลูกมันต้องซนมันถึงจะฉลาดอเอาเข้าไปเห็นเคต้องเขียนว่าห้ามเด็กกระโดดบนโต๊ะดูดูต้องทากันพ่อแม่ไม่รู้อะไรแล้วพอมาว่าลูกตัวเองก็โกรธหาว่าเขาดูถูกไปกันใหญ่ตัวเองโดกหู ถ้ามีคนอื่นมาตักเตือนว่าเขาแต่วันที่เราไปนั่งเงียบๆโต๊ะอื่นหนวกหูดายโต๊ะนั่นไม่หยุดรายการศึกษาจริงๆในพวกนี้แต่วันที่เราเฮฮาดังลั่นไม่เคยมองเห็นหัวใครก็เพราะเรื่องตัวกูของกูนี่แหละเราไม่เคยรู้เลยมันเกิดขึ้นตอนไหน วันนี้อย่ามาพูดเลยว่ามันจะเห็นมันเกิดขึ้นตอนไหนถ้าจิตมันไม่สงบตั้งมั่นขึ้นมาบ้างมันไม่เห็นความเคลื่อนไหวหรอกมันไหลไปกับสิ่งนั้นเลยวันนี้คนในโลกเป็นอย่างนี้กันหมดะเป็นอย่างนี้กันหมดถ้าท่านเป็นคนที่ยืนอยู่บนฝั่งตลิง่งตลิ่งของแม่น้ําท่านยืนอยู่บนตลิง่งมีคนที่อยู่ในน้ําเฮฮา อย่างที่ผมกําลังพูดให้ฟังเนี่ยตอนนี้ท่านเห็นภาพเหมือนกันที่เขากําลังเฮฮาเขานึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งสุขสนุกสนานให้ความลื่นเลงล่าเลงแต่เขาหารู้ไม่ว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะเป็นน้ําตกแล้วก็หักลบยิ่งเขาบอกว่ามีความสุขมีความสนุกเท่าไหร่เขาจะเข้าไปยึด ต, ติดสร้างความเป็นกูเป็นของกูมากขึ้นเท่านั้นถูกไหม ถ้าท่านยิ่งมีเงินมีทองล่ารวยท่านจะยิ่งซื้อข้าวซื้อของตกแต่งบ้านตกแต่งร่างกายตกแต่งตัวเองเพิ่มพูนทุกอย่างให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขถูกไหมท่านเห็นในทางกลับกันไหมว่าได้สร้างความยึดติดมหาศาลในทุกๆทุกๆทุกๆ ท, ท, ทุกอย่างถ้าท่านยังนึกไม่ออกถ้าผมให้ท่านไปอยู่ โรงแรมสองคืนห้าดาวกี่ดาวก็ได้สองคืนโอ้โรงแรมนี้ดีนะโรงแรมนี้สวยโอ้โรงแรมนี้ไม่ได้เรื่อมเลยจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าโรงแรมไม่ได้เรื่อมเลยพี่มีตกแต่งเลยโอ้ห้องเฮิ ง, งไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยไฟเฟยมีแต่ทีวีเครื่องเดียวกับเตียงอะ่ะท่านคิดจะออกไปโลตัสบิ๊กซีอินเด็กซ์ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแต่งไหม ทำไมอ่ะจานจะบ้าเนี่ยไปตอกห้องเขาเดี๋ยวก็ด่าวแล้วไม่ใช่โรงแรมของหนูนะไม่ได้โรงแรมของฉันไอแต่งแล้วเขาทำไมล่ะท่านไม่เคยคิดจะแต่งแล้วก็ถึงวันที่ท่านต้องเช็คเอาท์ท่านหวยหาอะไรไห ม, มไม่หวยหาะไรจานก็พูดแปลกๆเขาขับรถกลับบ้านจบก็เช็คเอาท์แล้วแล้วถ้าขับรถออกมาแป๊บหนึ่งมีข่าว ข่าวดวนข่าวดวนโรงแรมที่ท่านเพิ่งนอนไฟไหม้ท่านเดือดร้อนไหมเดือดร้อนอะไรจ่ายตังค์แล้วก็นอนแล้วก็กลับบ้านแล้วในทางกลับกันบ้านที่ท่านอยู่เนี่ยของท่านไหม <c oughs> ใช่เดี๋ยวท่นผ่อนท่านก็ตกแต่งมันเข้าไปยิ่งตกแต่งเท่าไหร่ ยืนดูรูปภาพที่แปะไว้อย่างมีความสุขถูกไหมแค่น้ารั่วอะไรรั่วใจไม่สบายแล้วนะซื้อนั่นซื้อนี่เข้าไปตกแต่งรู้ไหมทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยแล้วยืนด้วยความชื่นชมเนี่ยนั่นคือสายใยของความผูกพันที่ใสเอาไว้เต็มไปหมดท่านคิดว่าเดินออกมาที่บอกว่าเต็มไปด้วยความภูมิใจที่ได้สร้างไว้ถ้าไฟไหม้่ะ ทุกไหมโอ้โหถ้าเป็นลมเงินทั้งหมดในชีวิตทุ่มลงไปที่สิ่งนี้หมดแล้วตกลงโรงแรมกับบ้านเนี่ยต่างกันตรงไห น, นถ้าบอกว่านี่คือบ้านของเราโรงแรมมันชั่วคราวผมถามว่าใช่โรงแรมชั่วคราวดูออกดูไม่ผิด ถ้าผมบอกว่าบ้านก็ชั่วคราวล่ะเพราะเรานึกว่านี่คือบ้านของเราแล้วเราก่อทุกอย่างขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเหมือนสไปเดอร์แมนที่ยิงใยแมงมุมยิงยึดเอาไว้ทุกจุดเอาไว้ทุกอย่างเอาไว้ทุกของเลยเรายึดเอาไว้ทุกอย่างเลยแล้วเราจะต้องทุกขกับมันไหมล่ะ ไม่ทุกเราฉันไม่ติดหรอกแน่นะหรือว่าจะรู้ก็ตอนที่เสียมันไปถึงจะรู้ว่าติดไม่ติดเมื่อท่านเริ่มเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเอาแล้วตกลงอยู่บ้านไม่ต้องเป็นของเรานะแล้วเราผ่อนนะไม่ต้องของเราคําว่าของเรามีสองชั้นนะชั้นแรกคือกรรมสิทธิ ที่โลกสังคมกฎหมายมีคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรสองคือจิตใจที่เข้าไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์กรรมสิทธิ์นั้นท่านได้อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรโลกมีกรรมสิทธิ์มีกฎระเบียบที่เขาดูแลกันพอสมควรอยู่แล้ว ท่านซื้อที่ดินมาที่ดินก็เป็นของเราโดยกรรมสิทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นของเราจริงๆกรรมสิทธิ์นั้นถูกเปลี่ยนไปเมื่อเราตายก็จะยกให้ลูกให้หลานอะไรก็ว่ากันต่อไปแสดงว่าที่แปลงนี้ไม่ใช่ของเราเป็นกรรมสิทธิ์ให้เราเช่าอยู่หรืออยู่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปยึดมันจริงๆคนที่ทุกข์คือเราเพราะเดี๋ยวต้องไปแล้วอายุท่านเท่าไหร่ล่ะกาลังนับเดินหน้าหรือถอยหลังเอาให้แน่ ทุกคนกำลังนับถอยหลังกันหมดไม่มีใครนับเดินหน้าไปไกลๆกำลังนับถอยหลังเข้าสู่เส้นประหารหลักประหารเตรียมกลับเข้าไปสู่ป่าช้าได้เพราะฉะนั้นจะหลงเพลิดเพลินอะไรกับของที่แวบๆเกิดมาแล้วเข้าไปยึดถือยึดถือนะเมื่อเข้าใจสิ่งนี้กลับมาที่นี่ได้เลยที่เราบอกว่าตายแน่ ตกลงถ้ามีเราเนี่ยเราจะมาอยู่ชั่วคราวหรือจะอยู่ถาวรบนกายนีนะ้ท่านจะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเป็นมะเร็งก็จะเสาะเสียใจร้องไห้เพราะฉะนั้นเรากำลังตั้งทิฏฐิเอาไว้ผิดหมดแล้วเราจึงทุกข์กับทุกอย่างเลยเข้าใจไหมทุกข์มาจากไหนตอนนี้ เริ่มรู้แล้วว่ามาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยยึดมั่นในทรัพย์สินยึดมั่นในกายยึดมั่นในใจความรู้สึกเรายึดมั่นทั้งหมดเราเป็นอย่างที่ผมบอกไหมความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปอามานั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้าน ไม่ได้เข้าไปกเกี่ยวเกี่ยวภูมิพันธ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปความสุขเกิดขึ้นมาแล้วมีเหรอก็ยังค้างอยู่ถึงวันนี้มีไหมไม่มีท่านใด้ iPhone เมื่อปีที่แล้วตอนมันออกไอโฟนเจมาความสุขยังอยู่ไหมท่านรู้สึกเฉยๆก็ใช้มันตามปกติแค่ส่งสารสื่อสารกันเฉยๆไม่มีแล้วขอมันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็หายไปสิ่งใหม่ก็เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆไม่ได้มีสาระตัวตนอะไรเลย เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างจนเป็นทุก์ไปหมดแล้วแล้วดูไม่ออกด้วยวันนี้มันมีธรรมชาติขึ้นมายึดถือเมื่อมีการยึดถือสิ่งที่เป็นความว่างอยู่โดยธรรมชาติจึงเกิดความทุกข์ซึ่งไม่มีตัวตนเลยที่เราบอกว่าเราทุกข์ เมื่อมองเข้าไปเข้าไปเห็นความจริงด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางขั้นแรกจะเห็นแต่กายเวทนาจิตธรรมสุดท้ายจะเห็นแต่ขันห้าเกิดเกิดดับดับจะเห็นถึงขันต่างๆที่ทํางานกันโดยว่างจากตัวตนเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามการกระทําเฉยๆไม่ได้มีสภาพเป็นตัวตนอะไรแม้แต่การรับรู้ทั้งหมดก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรเลย มีเราโผล่ขึ้นมาเข้ามายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะการรับรู้ที่เรียกว่าจิตเกิดความไม่รู้จึงไปเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนขึ้นมาเป็นของเราทั้งหมดเลยจึงเป็นที่มาแห่งทุกทั้งหมดเลยจึงมีของเรามีของเรามีเรามีของเราร่างกายของเราตาของเราบางขณะก็เป็นตาของเราบางขณะตาก็เป็นเรา บางขณะแขนก็เป็นของเราบางขณะแขนก็กลายเป็นเราเราเอาของที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดมาบอกว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อถึงเวลาที่มันเสื่อมสลายแตกทำลายไปตามธรรมชาติของมันจึงเกิดมีผู้ที่เข้าไปยึดถือสิ่งนี้เฉยๆผู้นั้นจึงกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาโดยไม่มีอะไรเลย เท้าเดินไปเหยียบขี่หมาใครที่เป็นคนทุกข์บอกว่าใจแล้วใจอยู่ที่ไหน <c oughs> ใจเป็นของเกิดเกิดดับดับตลอดเวลา <c oughs> ใจอะไรเอาละผมพูดอย่างนี้มันอาจจะเริ่มยาก <c oughs> แต่จะไม่ยากเลยถ้าท่านทําความเข้าใจด้วยใจที่เปิดกวา้างอยากเอาตัวเองเข้าไปพันธนาการกับความรู้สึก <c oughs> ที่เป็นของลมๆแรงๆ <c oughs> ห้าวันที่ผ่านห้าสิบวันที่ผ่านมานี่ไม่ช่วยเลยเริ่มวันแรกก็เอาเลย <c oughs> เอาละเพราะฉะนั้นในหลักสูตรพื้นฐาน <c oughs> เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องกุศลอนะกุศลกันไปบ้างเล็กน้อย <c oughs> นอกกนั้นก็เริ่มไม่ค่อยเข้าใจอะไรเป็นจำนวนมาก แต่ก็ทำให้เข้าใจอะไรขึ้นมาเยอะมากทีเดียวเข้าใจถึงเหตุที่มาที่ไปความเคยชินความยึดมั่นถือมั่นกำลังกิเลสการละกิเลสการละกิเลสตัวตนตัวกูของกูเอาีิไม่ใช่ตัวกูหรออย่าเพิ่งไปสงสัยอะไรเยอะนะแค่ให้เห็นความจริงไปก่อน่านเห็นความจริงเนี่ยมันไปเปลี่ยนความรู้สึกเห็นผิดเองแหะ แต่ไม่ต้องเห็นความจริงนะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เข้าไปแสวงหาความจริงแบบนั่งคิดวิเคราะห์นั่งฟังอไอย่างนั้นไม่สำเร็จเนพะราะฉะนั้นการละกิเลสที่ท่านเข้ามานั่งกันอยู่เฉยๆตรงนี้เคยได้กินตลอดได้กินไหมก็ไม่เคยได้กินแล้กินตามมือ้อตามของที่เขาจัดไว้ให้นี่ละยังอ๋อเนาะอย่างนี้ใช่ไหมที่เรียกได้คำมะ กันได้ดูอ่ะสมมติอยู่บ้านได้ดูทีวีเปิดช่องนั้นช่องนี้หรือเข้า youtube ดูอย่างที่อยากดูตอนนี้ไม่ได้ทําละมาดูอะไรอาจารย์เปิดอะไรก็ต้องดูไปงั้นแต่ก็ดีกวไม่ได้ดูอาจารย์เปิดอ่ะดีแล้วนะให้นั่งหลับตานี้ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันฉันอึดอัดนะก็เริ่มเห็นแล้วเออแสดงว่าเราไปเคยคุณอะไรไว้แบบหนึ่งพอทําแบบนี้ก็เลยอึดอัดลองถามคนทั้งร้อยกว่าคนคุณอึดอัดไหมคุณอึดอัดไหมคุณอืึอ ด, ออ ด, ดลหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นอึดอัดเลยก็สบายดีออกคุณมากี่ทีแล้ว นี่ก็ห้าทีบ้างสิบทีบ้างยี่สิบทีบ้างเอาพอมานานๆมันก็ชินนะหรือว่าคำว่าชินอันใหม่เนี่ยที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เปิดฐานให้กิเลส ข, ขึ้นมากระโดดโลดเต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าชินก็ได้นะเขามาจนพ้นไประดับหนึ่งแนละ้วจิตใจเริ่มพ้นขึ้นมาระดับหนึ่งแนละ้วไม่เกิดความเหงาเศร้าซึมอะไรไม่เกิดมีแต่ความผ่องใสเบิกบาน ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ๋ออย่างนี้นี่เองอาจจะไม่ถึงกับเป๊ะๆ แ, แต่ก็โอ้มันดีกว่าความเศร้าหมองที่เรานั่งเจ้าจมเจ้าหอจมจมจม๋อมค่อยๆพ้นขึ้นมาพ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะะฉะนั้นการเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยคือการเผากิเลสอยู่แล้วเข้าใจยังการเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างมีข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวหกโมงเขก็จะนัดสวดมนต์ พอท่านกลับไปอ่ะโอไม่อยากไปนะอ า, าละมันก็จอันนี้สมมตเริมเพิ่งมาครั้งแรกก็เห็นมีมาครั้งแรกอยู่บางคนหรืออาจจะเพิ่งมาไม่บ่อยโอสวดมนต์อีกแล้วฉันไม่ได้ไม่่อยากไม่ใช่ไม่อยากสวดมนต์นนะจะปวดเข่าปวดเขา่ า, ขามาเหอะเนี่ยมามาสวมมดมนต์ลุกมาสวดมนต์ เดี๋ยววันตีสี่เขาตีละครังเป้งโอ้ใครก็ตื่นกันว่าตีสี่จะตื่นปดูเจ็ดวันเจ็ดกูรู้เฮ้ยไม่ที่อยากดูตื่นเถอะทำตามข้อวัดข้ามใจตัวเองจงไว้นะผมมีเคล็ดลับในการจัดการกิเลสแค่นี้เองทำตามข้อวัดข้ามใจตัวเองไม่เอาใจตัวเองเป็นหลัก เอาตามข้อวัดที่พระเจ้าบอกเป็นหลักถึงเวลาเขาให้ทำหรือที่ครูบาอาจารย์บอกนั่นก็คือวัดวัดตระวัตระปฏิบัติบอกให้ตื่นกี่โมงตามนะั้นสมมติท่านตื่นโอ้ยไม่อยากตื่นเลยเราเคยคุ้นกับการตื่นหกโมงถูกไหมเอาล่ะสมมุติ <c oughs> หลายคนทำไมเป็นเยบลังเลพี่คนนะโอ้ดีสิ จังหวะเนี่ยหนึ่งสองสามวินาทีที่ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสกำลังพอกพูนนะจะมีเหตุผลสารพัดดังขึ้นมาในหัวถูกไหมห้กเจ็ดแปดเอาละสุดท้ายก็ข้างๆก็ตื่นแล้วหมดแล้วนะผ่านไปสิบนาทีอนุสัยตอกไปเรื่อยๆนะวันอีกวันหนึ่งได้ยินเสมอ เป่งระคังดังเป้งทีนี้ก็ตีป่าไม่รู้เป่งเขาเริตาตึงอ้าตีสีแล้ ว, ลวใจขี้เกียจแต่ลุกเลยใจขี้เกียจนะแต่ลุกเลยคือไม่ฟังไม่ฟังอีลาฆ่าอีรมนั้นมึงไม่ต้องมาพูดมึงไม่ต้องพูดแลขี้เกียจฟังเพราะยังไงกูก็ต้องลุก <c oughs> คือเพราะฉะนั้นลุกเลย ลุกเลยพอลุกเลยบ่อยๆลุกเลยบ่อยๆทีสี่ปั๊บลุกทีสี่ปั๊บลุกผ่านไปสามสิบวันวันที่สามสิบเอ็ดเป็นมันก็เหมือนจะลุกเป็นอัตโนมัตินะอเป็นอัตโนมัติถ้ายังไม่อัตโนมัติก็เปลี่ยนเป็นสามร้อยวันอ่ะสามร้อยวันสองปีก็ได้อ่ะ มันก็เริ่มเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเพราะฉนั้นคำว่าชนะใจตัวเองวันข้างหน้ามันมีใจชนะตัวเองต้องมีใจตัวเองขึ้นมาให้ชนะอีกไหมมันไม่มีใครบ่นแล้วอะคือยังไงก็ทำอะทำง่ายกว่าคิดนะทำไปเลยง่ายกว่านั่งคิดทำไปเลยง่ายง่ายกว่านั่งพูดก็ทำไปเลยก็จบเลยทำไปเลยก็จบเลยจำไว้งานที่ออฟฟิศก็เหมือนกันทาไปเลยก็จบเลยโอเธอเจ้านายนะให้แต่งงานฉันคนเดียว พูดไปครึ่งชั่วโมงจบก็ตั้งพิมถ้าเอาไอ้ครึ่งชั่วโมงนั้นออกแล้วก็พิมพ์เลยมันเสร็จไปตั้งหนานแล้วที่มีลูกศิษย์หลวงพ่อชาฝรั่งทันเนสันชิกมาทั้งคืนเนสันชิกคือการไม่เอ็นหลังลงนอนตลอดคืนในวันพระพระป่าก็มีกฎระเบียบ เป็นวัฒนธรรมกันอยู่แล้วคือในวันพระก็ไม่มีพระรูปไหนเองหลังลงนอนเนสัญชิกันหมดภาวนาทั้งคืนพอเช้ามาอบินทะบาทฉันเชินอะไรเสร็จก็อาจจะเข้าไปที่กุฏิพักผ่อนระหว่างที่กำลังเดินกลับไปรองเจ้าวาดกักมือเรียกแล้วก็ขอบตะก้าสบงจีวรของหลวงพ่อชาบอกให้พระรูปนั้นเอาไปซักทีเป็นพระใหม่พระฝรั่ง โอ้โหเพลียก็เพลียง่วงก็ง่วงก็เพิ่งฉันเสร็จอยากจะพักส่งตัก้ามาให้ก็ต้องรับครูบาอาจารย์พันเตส่งให้ก็เดินหิ้วไปท่านว่าในใจบ่นไหมบน่บนบ่นไม่ใช่แค่บ่นนะโทษด่าด้วยดา่ดาดา่าพด เราผมคงไม่ไปรู้ใจท่านว่าท่านพูดอะไรล่ะแต่พวกเราก็คงพอเดาวันออกว่าข้างในคงอุตลุดเปหมดอาจจะไม่ใช่ด่าเป็นภาษาไทยก็ได้คงด่าเป็นภาษ า, ษาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลล่ะนะไปถึงก็บ่นตลอดไหมบนตลอดด่าตลอดมิพระฝรั่งอีกท่านนึงเดินผ่านมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์แล้วท่านก็เดินแล้วก็ท่านก็หยุดท่านก็สงสารเป็นผ้าใหม่เพิ่งปวดก็ลงมานั่งแล้วเดี๋ยวช่วยสับ ท่านก็ซักไปนะอีกองค์ทั้งทีนี้มีคนแล้วนี่ทีนี้ก็ด่าให้ฟังเลยดา่ดาดา่ดาด่าด่าท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่า น, นก็ช่วยซักเสร็จแล้วก็กำลังสักพักท่านก็บอกว่าทําง่ายกว่าคิดนะท่านพูดแค่ทาง่ายกว่าคิดคือพระรูปนั้นจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ถ้าท่านไม่คิดไม่พูดไม่ปรุงแค่ทำให้เสร็จแล้วก็เสร็จอยู่แล้วยังไงก็ต้องทำให้เสร็จอยู่แล้วท่านจะพ้นไปด้วยความสบายใจเป็นกุศลแต่ตลอดตั้งแต่ยกตะกร้ามาจนซักเสร็จมันเต็มไปด้วยอ ก, กุศลเข้าใจหมมันได้พอกพูนอ ก, กุศลเข้าไปตลอดเวลา พระรูปนั้นถึงบอกว่าทําง่ายกว่าคิดทําให้เสร็จๆไปเลไปตากแล้วก็จะไปพักก็ไปพักแต่วันนี้สังเกตไหมว่าผู้คนบนโลกจะทําอะไรบ่นด่ากว่าหาคนมาฟังแล้วก็เรียกคำเรียกว่าปรับทุกข์ผมไม่ค่อยเข้าใจอไอ้คาว่าปรับทุกข์นี่มันแปลว่าอะไรคือมันทําให้ทุกข์เนี่ ย, ยลิ่นคอบพูน มีคนเล่าให้ฟังไอ้เรื่องมันจะสงบก็เลยไม่สงบก็ขุดขึ้นมาด่าให้คนนั้นฟังด่าให้คนนี้ฟังบ่นให้คนนู้นฟังให้เขาช่วยเข้าใจผู้น่อยแปลว่าอะไรว่าปรับทุกเนี่ยคือเพิ่มความทุกขหรือเปล่าหรื อ, อยังไงผมรู้จักตั้งแต่เกิดมาคือถ้าผมทุกผมไม่ไม่มันนั่งเล่าให้ใครฟังอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับตะก o น n ้าที่ตกลงไปแล้วพอเล่าให้คนฟังอีกอนะ่มันกวนขึ้นมาใหม่พอมันกวนตะกอรอยขึ้นมาอีก แล้วก็มานั่งเล่าแล้วแล้วก็พอเขาเห็นอกเห็นใจเข้าพวกเป็นแนวร่วมก็เพื่อนเพื่อนรักกันจริงๆรักบ้ารักบออะไรสเสริมไฟเข้าไปอยู่เนี่ยใส่ไฟอวยกันอยู่นั่นน่ะนะแล้วก็กวนมันขึ้นมาจังขุนใหม่เป็นนั่งสง บ, บสิทธ์สง บ, บใจแล้ว เ, เจอเพื่อนอีกคนปรับทุกอีกปรับกวนมันขึ้นมาใหม่คือผมไม่รู้มันปรับยังไงวะปรับทุกมันน่าจะเอาทุกออกไป ไม่ใช่กวนกวนกวนกันขึ้นมาไม่เลิกแบบ น, นี้เพราะฉะนั้นทำง่ายกว่าคิดจำไว้จำแค่นี้ออกไปทำงานที่ไหนนะเจา้านายงานทำไม้เสร็จครับ <c oughs> ก็ทำเหเสร็จแล้วจะได้กลับเสร็จเร็วแล้วก็ใช้อีกหรออาจารย์ <c oughs> ก็ทำไม่เดี๋ยวทำง่ายกว่าคิด <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ขึ้นเงินเดือนเองอะ่ะ <c oughs> เอนน้ยเก่งเว้ยคนอื่นทำไม่ได้นี่ทาได้อยู่คนเดียวฮะไม่รู้เหรอ ก็ไม่เก่งอะไรเนี่ยธรรมดาอ้าวนั่นแหละกูขึ้นแล้วนะธรรมชาติกูก็ขึ้นมาอ <S <S นะีกนะเพราะฉะนั้นทําง่ายกว่าคิดทําตามข้อวัดข้ามใจตัวเองอย่าตามใจตัวเองแล้วท่านจะเริ่มดูออกว่ากิเลสโผล่ตรงไหนตอนนี้ดูไม่ออกกิเลสโผล่ตรงไหนอยากได้เสื้อมันผิดยังไงอยากได้กระเป๋าผิดตรงไหนอ่ะตั้งเงินของฉันน่ะเรียบร้อยถ้าพูดอย่างนี้นะ ท่านจะเห็นไหมอะไรคือโลภะโตสามโมหะไม่เห็นแล้วจะเห็นได้ไงอ่ะมาทําสมาธิอย่างที่ผมไม่ผมไม่กล้าบอกว่าอย่างที่ผมบอกหล้วนะที่ผมแนะนําไม่ท่านทําอย่างนั้นคือเอาเอาผมไม่กล้ารับปากเมื่อกี้มีคนเอาหนังสือตอนที่ในหลวงบวชมาให้ผมเปิดพึุ่เดียวไปเจอหน้าขันห้ากับการมีสติเอาละแค่นี้ละ ท่านก็ไปหาอ่านเอาแล้วกัน <c oughs> เต็มไหน <c oughs> เล่มที่พิมพ์ในหลวงก็เต็มไปหมดเลยนะอืมเอาเถอะอไว้ก่อน เ, อเข้าใจตัวเองอยู่กับข้อวัด เอาละสี่โมงครึ่งพอดีนะเดี๋ยวไปอาบน้บท่าหรือว่าใครจะไปเดินพักผ่อนเอาสักหกโมงครึ่งนะหกโมงหกโมงทาทำวัดสวมดมนข้ามใจตัวเองไปเลยไม่ต้องบน่นทําไปเลยนี่ละการลากกิเลสอ่ะเชิญ